มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทอัปปมาทะนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งสำหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรมมีความหมายหลักเหมือนเป็นคำจำกัดความว่าเป็นการอยู่โดยไม่ขาดสติความหมายของอัปปมาทะที่ว่าการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสตินั้นขยายความว่า ระมัดระวังอยู่เสมอไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความเจริญก้าวหน้าตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทาและต้องไม่ทำใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยกระทําการด้วยความจริงจังและพยายามเดินรุดหน้าอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าประมาทธรรมนี้เป็นหลักความรู้สึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน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 พิสษตทั้งหลายรอยเท้าของสัตว 50, ์บกทั э ้งหลายชนิดใดๆก็ตามยอมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นด้วยความใหญ่ชั้นใดกุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามยอมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมะเหล่านั้นชั้นนั้น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 เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรณุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพานิมิตชั้นใดความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็เป็นตัวนำเป็นบุพพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอสดางคิกรมักแก่ภิกษุชั้นนั้นธรรมะเอกที่มีอุปการะมากเพื่อการเกิดขึ้นของอริยอสดางคิกมักก็คือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท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 ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสร้างอ ป, ปมาทะโดยฐานะสี่คือ 1. จงละกายทุจริตจงเจริญกายสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 2. จงละวจีทุจริตจงเจริญวจีสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 3. จงละมะโนทุจริตจงเจริญมโนสุจริต